มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัควิจาระลักษณะปัญหาที่สิบสี่ถามว่า วิจารณ์เมื่อบังเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐวิจารณ์เมื่อบังเกิดนั้นกิงลักคโนมีลักษณะประการใดพระนาคเสนจริงวิสัชชาแก้ไขว่ามหาราชา ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิจาร์เมื่อบังเกิดนั้นอนุมัชนะลักขโนมีลักขณะรูปคลำไปตามวิตกขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรจจงนิมนให้พระหน้ า, าเกษรกระทำอุปมาส่วนว่าพระหน้ า, าเกษรก็ถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภาร ดุดกลงสะานอันบุคคลเอาสันดาบเคาะดังกังเข้าแล้วเสียงดังเป็นกลงวานครวรเบาๆนั้นวิตกมีลักขณะดุดแรกเคาะด้วยสันดาบดังกังเข้านั้นวิจารมีลักขณะดุดกลงวานอันคร่ำครวญอยู่นั้นเหตุนี้จึงว่าวิจารนั้นมีลักขณะรูปคลํำตามวิตกนั้นขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินภูมินธาธิบดีทรงฟังก็ทรงพระสมูศรสมนัตตรัสว่ากัลโลสิสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าวิจาระลักษณะปัญหาเป็นครบสิบสี่จบเท่านี้จบตัติยาว